ให้ทํากิจของตนให้ทุกตัวดูด้วยดูผัสสะไม่ทําหน้าที่เจตนาตรวจสอบผัสสะเวทนาใช่ไหมสัญญาเอากกตาชีวิตินรีมนสิการวิตกวิจารอธิโมกวิริยาปีติฉันทะศรัท ธ, ธาสติหิริอัตตาอโลภาโทสัตรตะตะมะชะ ต, ตาเนี่ยกายปัสสติจิตปัสสติเนตัวเจตนาจะมาตรวจสอบทุกตัวว่าเออเคลื่อนเคลื่อนทับได้อยังถึงจะถึงจะระดมทา น, นเจตนาโยธาทานได้ ตรงนี้ต่างหากการตรวจสอบจิตในการที่จะทําให้เป็นปุพพาเจตนาทานมุนจนาเจตนาทานและอัปราปราเจตนาทานหรืออัปราราเจตนาทานโอ้ทีนี้มัน เ, เคลื่อนพลกันอย่างนี้เวลาเขาเดินกุศลกันรู้ปะเขาเพื่อนเคลื่อนพลกันขนาดใหญ่เลยเพื่อปารบวัตถุเนี่ยปารบวัตถุเนี่ยฉะนั้นวัตถุเล็กปารบใหญ่ปวัตถุใหญ่ยิ่งปารบใหญ่ยิ่ง ย, งยงิขึ้นไปลองใครลองพลแมฆแม้แมทําไปแล้ว ถ้ายัางปลาลบยังไม่ค่อยชัดดึงประมวลมาเป็นโรงงานผลิตกุศลได้หมดเลยนี่เป็นอย่างนี้อราบราเจตนาเป็นอย่างนั้นฉะนั้นกรณีการการสร้างเหตุที่บริบูรณ์เนี่ยผลจึงบริบูรณ์ใช่ไหมถ้าใครรู้จักทานกุศลอย่างที่ต ถ, ถาคตรู้บุคคลนั้นที่จะไม่ให้ทานก่อนแล้วค่อยบริโภคเป็นไม่มีเนี่ยไปดูในติวิตกะเนี่ยพุทธพจน์นี่ประทับใจ สำหรับบุคคลที่จะเดินทานนกุศนทานาเจตนาโยธาฐานมากแล้วก็ศีลเนคขมะปัญญาในยักยินเพราะไม่รู้นั่นเองถ้าหากว่ารู้เนี่ยไม่มีเลยที่หลายท่านทั้งหลายจะไม่น้อมในการที่จะทำปุพพะเจตนาทานเป็นต้นเหล่านี้ให้เกิดขึ้น <c oughs> ใช่ไหมคือทานากุศนจะไม่กล่อยไม่ใช่เป็นของเล่นๆใช่ไมไม่ใช่เป็นของแบบสักแต่ว่าทำใช่ไหม เพราะท่านขับเน้นระดมฉันทิธิบาทจิตติธิบาทวิมังสิธิบาทแล้วก็แล้วก็วกจิตติธิบาทแล้วก็วิมังสิธิบาทใช่ไหมคือขับเน้นอิธิบาทนี่นแหละเป็นตัวว่าจะระดับต่ําระดับกลางหรือระดับประณี<ม>เขาขับเน้นตัวนั้นเพราะว่าในส่วนจริงอะ่ะทานกุศลนี่นะทานาเจตนาโยทานต้องออกจากตันหาได้ ถ, ถึงจะถึงเป้าหมายจึงจะประสบความสําเร็จ เพราะถ้ า, ย, ายังบวมยังม้วนอยู่หรือว่ายัางคอเคลียอยู่กับตันหานี่ยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะอโลภไม่เด่นอโลพทานไม่เด่นจนอโลพทา น, เ, นเข้ามานำหน้าแล้วเด่นเด่นได้ชัดเจนเมื่อไรนั่นแหละเราท่านทั้งหลายเจตนาทานเนี่ยอะโลพาทานเนี่ยชัดเจนแข็งแรงแล้วใช่ไหมไม่ติดข้องในตัววัตถุทั้งหลายแล้วอย่างนี้เป็นต้น ก็แปลว่าเหมือนอะไรเหมือนน้ำกริ่งอยู่บนใบบัวไม่ฉาบติดใบบัวแล้วจิตก็ไม่ฉาบติดวัตถุทั้งหลายแล้วไม่มองเห็นเป็นวัตถุกลามเลยเป็นวัตถุฐานแม้อัชติกะภายในและประหิทธาไม่ต้องพูดถึงแม้ภายในยังน้อมถวายได้เลยไม่ต้องถึงพูดถึงทายนอกแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้พอจะเข้าใจมุมนี้ไหมล่ะนั่นแหละนี่เป็นอย่างนั้นนะ นั่นในตามบาลีเนี่ยส่งผลให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาติดต่อกันเสมอตลอดเวลา80ดกดอายุกับเนี่ยนะหรือ80โกฎชาติได้อย่างโดยตรงแต่แต่ประการนะฮะเป็นเพียงเป็นช่วยให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแต่ว่าความปรารถนาบุคคลที่บาําเพ็ญทานกนะุศลจะสําเร็จได้เพราะสําหรับผู้มีศีลไม่ใช่สําหรับผู้ทุศีล น, นะต้องขับเน้นศีลกุศลด้วยอย่างไรเดี๋ยวไปดูรายละเอียด ตรงนี้นะว่าในชั้นคำสอนในทานสูตรนะที่พระปรมศ า, าสดาตรัสตอนนั้นนะภาษาริบุตรก็พาอุบาสกทั้งหลายก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าก็ไปบอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทานเช่นนั้นแลที่บุคคลบางคนในโลกนี้นะก็ไปอภิวาทพระเจ้ากระถามท่านภาษาริบุตรก็พร้อมด้วยอุบาสกชาวเมืองจยมปาเข้าไปเฝ้าพระศาสดานะ่าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้กราบทูลแด่พระรมศาสดาพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทานเช่นนั้นนั่นแลที่บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ให้แล้วมีผลมากมีผลมากนะไม่มีอานิสงส์มากพึงมีหรือหนอแหละบอกถามเลยว่าทานแบบไหนมีผลเยอะแต่อานิสงส์น้อยยนะที่บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ให้แล้ว มีผลมากมีอานิสงฆ์มากพึงมีหรือไม่เจ้าข้าถามอย่างมีผลมากมีอานิสงฆ์มากด้วยมีมีผลมีผลมากไม่มีอานิสงฆ์มากเนี่ยถามเป็นต้นไปตามดับว่าเออมีไหมทานสองชั้นนิดเป็นต้นเนี้ยพระบรมศาสดาก็บอกว่าพึงมีหรือพระพุทธเจ้าข้าพระศาสดาก็ตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรทานเช่นนั้นนั่นแล้วที่บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ให้แล้วมีผลมากไม่มีอานิสงฆ์มากพึงมี มีนะไม่ใช่ไม่มีนะและทานเช่นนั้นนั่นแหละที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากและก็มีอานิสงฆ์มากก็พึงมีเนี่ยนะภาษาที่บดบัค่าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยเป็นเครื่องอะ่ะเป็นเหตุอ่ะเป็นเหตุให้ทานกุศลเช่นนั้นแหละที่บบุคคลบางคนในโลกเนะี่ยให้แล้วมีผลมากไม่มีอนิสงฆ์มากเอออะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย นี่สำคัญมากนะบางทีเนี่ยว่าคำนี้ว่าทิ้งขยะเนี่ยได้บุญไหมทิ้งได้ไหมโอ้ยไม่ได้เป็นทานที่ไหนแล้วใช่ไหมทิ้งขยะก็คือทิ้งใช่ไมให้ทานเหมือนก็คือทิ้งเหมือนกันใช่ไหมใช่เาถ้าให้ทานสักแต่ว่าให้จะต่างอะไรจากการทิ้งขยะระวังนะการให้ทานไม่ใช่ทิ้งขยะนะไม่ใช่ทิ้งขยะนะใช่ไหม เอาขยะไปทิ้งไงทิ้งแบบลังเกียจได้ซ้ำไปขยะบางอย่างสกรปรกเรื่องไปทิ้งเงีใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่พระบรมศาสดาลังเกียจบุตรและภรรยาไหมบุตรเป็นเรตบุตรภรรยาเป็นที่รักของท่านไหมละ่ะเป็นที่รักแต่แต่สัมมาสัมโพธิญาณเป็นที่รักยิ่งกว่าท่านจึงสละบุตรและภรรยาดงั้นเราให้ของเนี่ยเราไม่ใช่ไม่รักของนั้นเรารักไม่ใช่ขยะนี่เรารักแต่ โพธิใช่ไหมเราต้องการเป็นโพธิสัตว์ตเนี่ยสัตว์ผู้คล้องอยู่ในการตัดสู้ใช่ไหมสัตว์ที่คล้องอยู่ในโพธิเราจะคล้องอยู่ในสัมมาสัมโพธิญาณหรือปเจกโพธิญาณสาวกะโพธิญาณก็เลือกเอาแต่อย่ะไม่ใชไม่ใช่ไปคล้องแต่อย่าไปคล้องในวัฏฏะถ้าคล้องในวัฏฏะก็แปลว่าสัตว์เฉยๆนะสัตว์วะเฉยๆตอนนั้นแหละเขาแปลผู้คล้องอยู่ในวะะัฏฏะคล้องในการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นเอง เราจะคล้องอยู่แค่เวียนไหวตายเกิดหรือคล้องอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือจิคล้องอยู่ในสีกลิ่นรสสัมผัสและทำมาลม้มถ้าเราคล้องอยู่เราติดอยู่เรายึดอยู่เราก็เป็นได้แค่สัตว์วะแปลผู้คล้องที่ผ่านมาเนี่ยเรากลายเป็นได้สัตวะคือผู้คล้องแล้วเอาโพธิ์ต่อหน่อยแล้วต่อหน่อยได้ไหมต่อไปเนี่ยต่อชัดๆแล้วตั้งอัธยาศัยให้แรง ไม่มีใครช่วยเราได้แต่พระาศาสดาช่วยเราได้นะพระาศาสดาเป็นสารณาเป็นเครื่องกาจัดภัยเราท่านทั้งหลายได้เพศอนุกฤษแล้วหาได้ยากแล้วแล้วมีโอกาสแล้วไม่มีโอกาสไหนอีกแล้วใช่ไม่ใช่มันหมดโอกาสนะเราอย่าไปรอโอกาสหน้าอย่าไปรอพรุ่งนี้ปารืนนี้อย่าไปรอเดินกุศลได้วันนี้เดี๋ยวนี้ไหเดินได้เดี๋ยวนี้ เนี่ยถ้าหากใครควรพิจารณาเป็นอย่างนี้นะอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเครื่องให้เป็นเหตุให้ทานอกุศลนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ให้แล้วมีผลมากมีอนิสงส์มากนี่ดูเดี๋ยวกล่าวผลก่อนนะทานาเจตนาลักคือทานคือการให้การสละนะั้นเป็นลักษณะใช่ไหมโลภาสนนละสังกับทานนเนี่ยเจตนาทานเนี่ยนะเป็นต้นรอโลภะทานเป็นต้นเนี่ยเาทลายโลภะ ทำลายความกำนัดความยินดีความเพลิดเพลินกิจของทานอกุศลภาวะวิภาวะสัมปติปยุปทานังหรือปัปจยุปทานาก็คือว่ามีความสมบูรณ์แห่งภพชาติและความสิ้นไปจากภพชาติเป็นอาการปรากฏในปัญญาของบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายน่ยสร้างเหตุเห็นผลเพราะเข้าใจคําว่าเหตุและผลชัดเจนบัณฑิตเนี่ยนะผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยรู้จากเหตุรู้จักผลรู้จากเหตุรู้จักผล ฉะนั้นบัณฑิตจึงทําเหตุถูกจึงได้รับผลถูกเนี่ยเขารู้เหตุผลเราก็เป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเป็นอยู่ในฐานะเป็นอุบาสกบาสิกาเนี่ยของพระของพระสัะสามมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เรียกเศษมีครูพระาศาสดาทักขโขชํานาญเหตุผลนี่ใช่ไหมเราก็ต้องทักโขอย่างพระบรมศาสดาก็เหมือนกับสิทธิ์ของนายโคคาดก็ยังทักโขในการชํานาญในการชํำระโคเลย เราก็ต้องชำนาญในการที่จะชำละใ น, ในการเอาเราไปตั้งโรงงานบุญไว้กันเยอะหมดแล้วตอนนี้เยอะหมดเลยเราสร้างกันมาไม่ใช่น้อยในะโรงงานบุญเนี่ยแต่โรงงานนั้นปิดกิจการไปก็เยอะแล้ววิจัยให้บุญไหลตลอดเวลาได้ไหมใช่ไหมปารบบ่อยคิดบ่อยๆ บ, บอกว่าเราจะทำการเปิดโรงงานที่เคยเปิดมาแล้วทุกโรงใช่ไหมเพื่อผลิตบุญกุศลอย่างมากมายก็คือน้อมคิด ได้ทุกโรงงานเลยโรงงานในการผลิตเจตนาโยธาทานทั้งหลายเนะี่ยโอ้โหลองคิดเดูบุญมันก็ยังไหลยอยู่ไหมเขาสิ่งของเหลนะ่านั้นยังสามารถเป็นที่ตั้งของบุญได้ไหมเป็นเหตุของบุญได้ไหมเป็นเหตุของบุญกุศลได้อันไหนที่มันรวมทั้งเคยปล่อยกู้ปล่อยหนี้ไปด้วยนะอันนั้นที่เราสละแล้วเนะี่ยน้อเป็นบุญไปซะให้เรียบร้อยเลยมันเป็นที่ตั้งของบุญให้เยอะๆก็แล้วกันดีไหม เลย ไปแฟนอะไรนไปแฟนอะไรเออเออก็ก็ไม่เป็นไรอ๋อก็อย่างนี้บุญเกิดแต่ว่ามีโทสะเป็นบริวารแวดล้อมอย่างนี้เขาเรียกว่า อย่างนี้เราเรียกบุญเกิดแต่มีโทรศพเป็นบริวารแรบล้อมถ้าได้เหตุปัจจัยนัากรรมนี้ให้ผลก็เกิดเป็นมนุษย์นะแต่ได้สิ่งแวดล้อมไม่ค่อยดีบรรยากาศแวดล้อมไม่ค่อยดีบุญมันจะเป็นแบบนี้แหละไม่ได้นั่นกลัาจังผิวไม่สวยนะหัดคิดเองบางเรื่องนี้คือ คือคือการที่ว่าเราเราทำบุญไปแล้วเนี่ยกุศลเจตนาเกิดพุ่นมาป๊แล้วก็ต่อมาก็ตามได้บาปนี่นะแล้วกุศลที่มีบาปแวดล้อมบาปประเภทไหนแรงแล้วก็จะได้เหตุปจนะนะัจจัยนั้นแวดล้อมมากโอ้ยบางทีไปเกิดในสิ่งแวดล้อมมีแต่คนทะเลาะ ก, กันตั้มมือแล้วทั้งๆ้งที่มีโอกาสเป็นมนุษย์เนี่ยเนี่ยที่ถ้าส่งผลในปฏิทินที่การนะตั้งแต่พ่อเลยอะ เป็นคนขี้โกรธแม่งอะไรเป็นขี้โกรธครอบครัวนี่แหละมีแต่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีว่าเราไปสร้างเหตุมาอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นต้นนะมันถ้าเราเข้าใจเรื่องเหตุผลเนี่ยมันจะชัดนะเหตุผลนี่จะชัดอ๋อนี่ ต้องสังเกตให้ดูนะว่าบางครั้งต้องระวังด้วยเนะเพราะปีติในโลภะก็มีปีติในมหากรุศลก็มีแยกให้ออ ก, ก, ก, กอ๋อตรงนี้ไงที่ว่าเคยยกตัวอย่างที่ว่าให้ภรรยาไปทำอาหารถะไหวพระและ้วทีแรกเป็นอาหารที่หยาบๆยาบไงแล้วก็สัมเนนกับพระใหม่ๆก็เอายโยนทิ้งพอโยนทิ้งเบ็เสร็จภรรยาก็มาบอกกับสามีบอกว่าพ่อ สามเณรในใ น, น้อยทั้งหลายบวชใหม่เอาอาหารของของเราเนี่ยโยนทิ้งหมดแล้วฝ่ายทางสามีก็บอกพ่อแม่บอกพ่อ พ, พ, พ่อก็ฝ่ายบอกว่าก็เลยบอกแม่อย่าเสียใจนะวันนี้ท่านไม่รับทานนักกุศลของเราเพราะทานนกุศลของเราไม่ปราณีตเดี๋ยวเราจะต้องทำให้ปราณีตให้ได้เห็นไหม น้าข้าก็เลยลงทุนเอาลูกสาวไงไปเป็นทาสไงจำได้ไหมล่ะนั่นแหละแล้วก็ไปนำแม่โคมาก็มารีดนมทําไม่โกรธกับทําให้ประนีตขึ้นไปเนี่ยที่จริงๆเห็นไหมได้จนได้อย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เ็าเรียกเขาคิดเป็นเนี่ยนะต้องคิดให้เป็นอ๋อ้า บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยเป็นเครื่องให้ทานนั้นได้เหตุได้บริบูรณ์อย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ยังมีความหวังให้ทานมีความหวังนะมีจิตผูกพันในผลของทานคำว่าผูกพันเนี่ยในชั้นของอตถกถาในชั้นของอัตถกถ า, ออกาท่านใช้คาว่า ตันหุบตริยะทานังการให้ที่ยิ่งด้วยความอยากในกลุ่มนี้มีจิตผูกพันในผลให้ทานใช่ไหมเขาเรียกว่าทานอกุศล น, นั้นมีอะไรแวดล้อมตัณหามีตัณหาแวดล้อมมุ่งการสั่งสมให้ทานโอ้ยบางคนให้จริงๆมุ่งการสั่งสมให้นี่นะให้ทานด้วยคิดว่าเราตายไปแล้วจะได้เสวยผลของทานนี้ เพราะแหมกลักวความลำบกากก็ก็นะเขาให้ทานก็คือให้ข้าวให้น้ําให้ผ้าให้ยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูบไล้ที่นอนที่พักแล้วก็ให้แสงสว่างนี่ะเครื่องอุปกรณ์แก่สมณพรามณ์ดูก่อนสาลิบุตรเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้พึงให้ทานหินป่า น, นี้มีไหมเนี่ยบอกมีพระเจ้าข้าภาษาลิบุตรก็ตอบดูก่อนสาลิบุตรการให้ทานนั้นบุคคลมีความหวังในทานมีจิตผูกพันให้ทานด้วยตัณหาเนี่ยนะ โดยการสะสมบุญให้ทานให้ทานด้วยคิดว่าตายไปแล้วเราจากได้ให้ผลของทานนี้ญาติของเราตายไปแล้วก็จะได้ผลของทานนี้อะไรก็ว่าไปเนี่ยนะแบบคิดแบบตั้นหานะเมื่อตายไปแล้วเขาก็เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นจาตุมเส้นกำรเรส้นลทธเส้นยศ <c oughs> นี่ก็แบบหมดยดหมดอานาจเนี่ยนะหมดความเป็นใหญ่แล้วก็ยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกแล้ว โอ้ห oh, เข้าใจแล้วแตนี้เริ่มเข้าใจแล้วส่งไม่ถึงขีดสุดเนะ่เขาเรียกว่าส่งไม่ติดลมบนให้ทานส่งไม่ติดลมบนตกมาอีกนึ่ตกตกลงมอบายก็ได้มาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกออกไม่ได้เพราะไ่ให้แบบนี้อ้าวนี่ก็ลองคิดพิจารณาดูนะว่าเราเราเราเร า, เ า, เาอยู่ในกลุ่มที่เคยให้แบบประเภทนี้ไหม ให้เบสเซต์ก็มีราคาเป็นต้นมีกลุ่มของราคามีกลุ่มของทิฏฐิมีกลุ่มของมานะพวกนี้ทั้งนั้นแหละเป็นบริวารแวดล้อมวิ่งวนวนวนนนวอยู่นี่แหละอยู่กับโลพาแปดดวงไปไล่ดูเหอะโลพาสองมานะสี่เอเป็นอุเบกขาสีเป็นอสังขาเล็กสีเป็นสังขาเล็กสี่เป็นทิฏฐิสัมปยุตสี่เป็นทิฏฐิวิปยุตโดยประกอบด้วยมานะอีก4นี่แหละวนอยู่ตรงเนี้ย แล้วหนส่วนจริงก็กลับมาเพื่อความเป็นอย่างนี้ลองวนวนวนไมไม่ได้ขึ้นสูงกว่ากว่าจะตุ้มนะวิ่งหอนอย่างเนี้ยอันนี้วนต่ำอย่างเงนะเอาละนี่มีโลภะแปดเนไหมนี่จิตตาไม่จิตมีราคาก็รู้ชัดว่าจิตมีราคานี่เห็ไหมถ้าพวกนี้ให้ทานเป็นเหตุต้องรู้ไหม จิตมีราคาว่าเราให้ทานด้วยมีจิตที่มีราคาเนี่ยมันก็จะวนอยู่กับกลุ่มนี้แหละมันหวังเพื่อจะตุมไม่ได้หวังมากไปกว่านั้นเนาะเนี่ยในส่วนจริงก็วนกันอยู่ตรงนี้จิตมีราคาก็รู้ชัดว่าจิตมีราคาอันนี้รู้นะคำว่ารู้อ๋อนี่กลุ่มจิตมีราคาเนี่ยเส้นกรรมหมดลิ์หมดเดช ห, หมดอำนาจก็ไหลลงมาเป็นความอย่างนี้ทีนี้ก็คือว่า เมื่อตายไปแล้วก็ถึงความเป็นสหายดังกล่าวและสิ้นกรรมนมาสู่ความเป็นดูกนษาส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีความหวังในทานนะไม่มีจิตผูกพันด้วยตัณหานี่นะไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานไม่คิดว่าตายแล้วจะให้เสวยผลทานนี้แต่ให้ทานด้วยคิดว่าทานเป็นการดีเขาให้ทานก็คือการให้ข้าวให้น้าให้ยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปร้ที่นอนที่พัก ปฏิบเนี่ย น, นะเครื่องให้แสงสว่างเครื่องอุปกรณ์แก่สมณพราหมณ์ผู้ดูก่อนสารีบุตรเธอจักสําคัญความข้อนั้นเป็นฉนัยบุคคลบางคนในโลกนี้พึงให้ทานเห็นปานนี้มีหรือไหม่หนอะอย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนสารีบุตรในการให้ทานบุคคลที่ผู้ไม่มีความหวังนะไม่มีจิตผูกพันด้วยตัณหาในผลของทานไม่มุ่งการสั่งสมไม่ให้ทานด้วยคิดว่าตายไปแล้วจักได้เสวยผลของทานแต่ให้ทานด้วยคิดว่าทานเป็นการดี เขาผู้นั้นให้ทานแล้วเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึงสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสินส้นยศหมดความเป็นใหญ่ยังเป็นผู้กลับมามาสู่ความเป็นอย่างนี้ประการสองที่เาเรียกว่าวีตีการทานังให้ทานด้วยความยำเกรงเออนี้นี่ให้แบบยำเกรงนะเนี่ยให้แบบประเภทที่ว่า ยำเกรงให้ทานแบบในลักษณะที่ไม่ได้ไวหวังผลต่างๆเหล่านี้น้อมให้ทานอย่างนี้นะแต่ไม่ได้น้อมเพื่อเพื่อออกเห็นไหมไม่ได้น้อมเพื่อเป็นคือไม่น้อมแบบเป็นจิตตะปริขารังเนะี่ยไม่เป็นอรังการะปริวาทานังปริวะระทานังไม่ได้เป็นให้ทานแบบประดับตกแต่งจิตให้สูงขึ้นนะนะไม่ได้ประดับไม่ มาจะคำว่าอารังการะปริวาระทานัง<ม>ก็คือเป็นเครื่องประดับตกแต่งจิตน่นะทีนี้ น, นตรงนี้ก็คือว่าประการต่อมานะดูก่อนสาริบุตรดุกวันบางคนในโลกนี้ไม่ให้ทานด้วยคิดว่าทานเป็นการดีนะแต่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยทำมาทำตามวงตระกูลเนาะ โอ้ยเขาให้มาจนเราชั้นเหลนแล้วเนี่ยไม่ให้เราก็ไม่ควรทําให้เสียประเพณีเออเหมือนการไหว้เจ้าเนาะไหว้ไหว้าวาวาวามาเนี่โอ้ไม่ได้แล้วต้องทําเดี๋ยวเสียประเพณีนะแต่ทําแบบไม่รู้เหตุผลนะทําแบบไม่รู้เหตุผลให้ทานแบบประเภทเนี้ให้แบบตามประเพณีเขาสักแต่ว่าให้ให้ให้ไปนี่นะอันนี้เข้าถึงความเป็นสหายของทัานยา ม, มาเนี่ <c oughs> ให้ข้าวน้ําเป็นต้นอะไรเนี่ยเขา เขาสิ้นกรรมสิ้นลทิ์สิ้นเดชหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเออให้ตามประเพณีเนี่ยเร<อ>าเคยมาหมดแล้วเนี่ยที่พวกเนี้ย น, น, นี่นี่เล่าเรื่องอดีตพวกเรานี่นะและอนาคตถ้าใครตั้งจิตไม่ถูกก็จะไปทำอย่างนี้อีกอต่อไปแต่เนี้ยดูก่องสาลิบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานได้คิดว่าผู่ย่าตายายเคยทำมาเป็นต้นนะ เราก็ไม่ควรทำให้เสียไปเพีมีแต่ให้ทานได้คิดว่าเราหุงหากินเองได้แต่สมณะพราหม์เหล่านี้ไม่หุงหากินคือไม่มีที่ทำสำรับกับข้าวเอวต่างประเทศโดยมากเป็นอย่างนี้เยอะเนี่ย<ม>เขาเห็นนักบวชทั้งหลายโอ้เขาไม่ได้มีหม้อหายอะไรต่างๆว่าง น, นเออแล้วก็ไปให้เขาเนี่ยเขาคิดอย่างเงี้ยโอ้เราหุงหากินเราหากินได้ เรามีปัญญาแสวงหาทรัพ huh. ย <x> ์แต่ท่านเหล่านี้ไม่มีป <art> <int> ัญญาแสวงหาทรัพย์อย่างนั้นเลยว่างั้นนะเราก็เอาไปให้เราจะไม่ให้แก่สัมาณะหรือพราหม์ผู้แมงหุงหากินไม่ควรแล้วว่างั้นดำหลี่และเคิดอย่างนี้ก็เลยให้ข้าวให้น้าเป็นต้นอะไรนี้อันนี้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดุสิตน้อมว่าเออมีใจมีใจกรุณาเขาน่อยนะบอกเออเนี่ยเขาไม่เออเราไม่ทำเลยก็กลนะรู้สึกอายเหมือนกันนะเนี่ย ใช่ไหมเรามีอยู่มีกินแต่ไม่ช่วยคนประเภทนี้บ้างเลยเนี่ยเขาไม่มีอยู่ไม่มีกินเป็นต้นจัดการอะไ น, นี้ได้ดุสิทธิ์เลยพอสิ้นกรรมแนะสิ้นเจตนากรรมหมดกําลังของเจตนากรรมสิ้นฤทธิ์และหมดยศและอายุวรนหนสุขพะพละปฏิพานหมดเนี่ยกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกก็คือลงนั่นแหละในอายภูมสีมนุษย์หนึ่งเนี่ยอยู่อย่างนี้นะ ดูก่อนสารีบทบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหูงหากินเองได้เ น, ะนี่ยสมณะหรือพราหมณ์เหล่านี้หูงหากินเองไม่ได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะพราหมณ์พวหุงหากินเองไม่ได้ก็ไม่ควรแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราจะเป็นผู้จำแนกแจ ก, กทานเหมือนลือศีแต่ครั้งก่อนแต่ก่อนมีพวกอัธกะลือศีวามะลือศีเอวยวามะเทวะลือศีศาสวมิตรลือศีเป็นต้นเนี่ยคือมีลือีเยอะในยุค ก, ก่อนๆ น, นี่นะเขาให้ทาน ก็คือเขาบูชามหายันกันน่ะนะมหายันยันโยในที่นั้นเป็นชื่อของทานก็ได้นะเขาทากิจกรรมแจกทานเขาทากิจกรรมแจกทานเนี่ยันในทีนิกายเป็นอีกอย่างเนี้ยตรงนี้ก็คือว่าเกิดในข้อในข้อที่สามที่บอกไปเกิดในชั้นดุสิตนั้นมาจากคำว่าฮีโรตปะทานังให้ทานเพราะละอาย <c oughs> เพราะ <c oughs> เพราะฮิริแล้วก็แล้วโอตปะใช่ไหมละอาย แล้วก็กลัวไงกลัวกลัวเขานินทาวบางใช่ไหมหรือว่าละอายใจว่าเออเรามีไม่ให้ก็ดูกระไรอยู่เนี้ยนะบุกคนเหล่านี้ห่วงจินเวงไม่ได้นี่คือข้อนะส่วนอีกข้อนหนึ่งมาจากคาว่านิราวะเสสะทานังได้แก่ให้โดยไม่ให้เหลือเศษให้หมดเลยเนี่ยฮะอย่างงี้นะให้เหมือนแปะตามแบบอย่างของบูชามหายันนั่นแหละให้แบบหมดเลยว่างั้นจะก็ให้ข้าวน้ําไปต้น ย่อมถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นนิ ม, มานนรดีกลุ่มวันนี้ให้ให้ทานประเภทเนี้ยนุ่นไปอยู่ในกลุ่มพวกนิมมานรดีนั่นแหละต่อมาสิ้นกรรมและเจตนากรรมทั้งหลายประเภทเนี้ยหมดกําลังลงและสิน้นฤทธิ์หมดสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่และยังความเป็นผู้กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเออนีกลับมาอีกนะประเภทนี้กลับมาอีกดูก่อนสารีบทบุคคลบางคนในโลกเนี้ไม่ได้ให้ทาน ด้วยคิดว่าเราจักจำแนกแจกทานทำยันโยอย่างระมัดพวกฤาษีทั้งหลายเหล่าเนี่ยนะแต่ครั้งก่อนและเราจะไม่ทำในกรณีงั้นนะ่ยแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตก็จะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจสมนัตเออทำแล้วมันชื่นใจอะ่ะทำแล้วชื่นใจก็เราก็อันนี้มาจากคาว่าทักขินในออยะทานังนะ ให้แก่สมณนาพรามให้แกทักขินายบุคคลให้แกทักขินายาบุคคลแต่ให้โดยคิดว่าเราได้ให้ทานอย่างนี้แล้วจิตจะเรื่อมสายเกิดความปลื้มใจและสมนัสเขาก็ให้ข้าวหรือให้น้ำย่องถึงความเป็นสหายของเทวดาชันปรณีมิตรสวัสดี สิ้นรมสิ้นฤทิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังกลับมาความเป็นอยู่อย่างนี้อีก<ม>ดูก่อนสาลีบุตรนะบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยมีคิดว่าชัดจาจิตให้เลื่อมสายปลื้มใจเป็นต้นเหล่านี้แต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิต<ม>ให้ทานอีกเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเนาะ<ม> <c oughs> เขาก็เลยให้ยังไง เขาให้ทานคือข้าวผ้าน้ำยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักปฏิบและเครื่องอุปกรณ์แก่สํานักพราหมณ์ดูก่อนสารีบุตรเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เพิงให้ทานเห็นปันนี้หรือนอแหลนี่นะอย่างนั้นพระเจ้าข้าดูก่อนสารีบุตรในการให้ทานนั้นบุคคลผู้ไม่มีความหวังให้ทานไม่มีจิตผูกพันในผลของทานเป็นตัญหาไม่สั่งสมการให้ทานไม่ให้ทานด้วยคิดว่าเราตายไปแล้วจัก สเสวยผลของทานนั้นไม่ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ให้ทานด้วยคิดว่ามีดามานดาปูย่าตายายเคยทํามาเราไม่ได้ให้ทานให้เสียประเพณีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินเองได้สมณะพรามเหล่านั้นหุงหากินเองไม่ได้ไม่ให้ทานแกผู้ที่หวงาการกินไม่ได้ไม่สมควรและก็ไม่ให้ทานด้วยคิดว่าเราจักเป็นผู้จาแนกแจกทานเหมือนอย่างฤาษีในครั้งการก่อนเป็นต้น แล้วทําการบูชายันฉะนั้นและไม่ได้ให้ทานได้คิดว่าเมื่อเราให้ทานแล้วจิตจะเลื่อมสายเกิดโสมนัสปลื้มใจแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเขาให้ทานอย่างนี้แล้วเมื่อตายไปแล้วก็เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นปรนิมมิตรสวัสดีเนี่ยนะเออไม่ใช่เข้าเป็นสหายอันนี้เป็นเป็นสหายของเทวดาชั้นพรหมนะชั้นพรหมอันเนี้ย สิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาแล้วก็ไม่ต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้ดูก่อนสารบุตรนี้แล้วเป็นเหตุนี่แหละเป็นเครื่องให้ทานของบุคคลในบางคนในโลกนี้มีผลมากมีอานิสงส์มากและเป็นเครื่องให้ทานเช่นนั้นที่บุคคลได้ให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากประเภทหนึ่งไม่มีมีผลมากแต่ไม่มีอานิสงส์มาก ประเภทหนึ่งมีผลมากด้วยและก็มีอ น, นิสงส์มากด้วยเดี <c oughs> นี้สรุปประเด็นตรงนี้นะมีเจดอย่างตรงเนี้ยแต่มาขยายข้าๆๆไปในนะอันแรกนั้นมาจากคำว่าตันหุด ต, ตริยาทานางการให้อันยิ่งด้วยตันหาคือปฏิพัทจิตโตผู้มีจิตผูกพันในผลผูกพันหรือว่า ผูกพันด้วยตันหาคําว่าผูกพันนี่เป็นชื่อของตันหาเช่นยมบวัตบอกภรรยาว่าเออเราจะผูกพันกันทุกชาตินนเนี่ยนี่ตันหาเพราะตันหาเป็นตัวผูกพันใช่ไหมผูกพันทีนี้พระบรมศาสดานี่ผูกสัตว์ไวไหมผูกผูกผูกผูกบารมีสิบไว้ในตอนไหมตอนตอนบำเพ็ญบารมีผูก บารมีสิบไว้ในตนและผูกสัตว์ไว้ในตนหรือเปล่าแต่ไม่ได้ผูกได้ด้วยตัณหาพระองค์ผูกได้อะไรอ่ะใช่เอาการุณาเป็นตัวผูกนะกรุณาประกอบได้ในจิตเท่าไหร่เท่าไหร่ดูกรุณาทีเนี่ยกรุณาสองดวงเนี่ยาการุณาดวงหนดวงเนี่ยประกอบได้ในไหนหมหากุศได้ไหม ม, ม, หมหากุศ8แล้วก็อะไรเอ้ยโลกุตละแปดหรือ อ่าเอาอะไรเอก อ, อาทิ่ะมีไหมนี่มีนะลูกลูเท่าไรสบสองรูปปาสิบสองแล้วก็อะไรออกมหมากริยามีไหมแปดนะสิบหบวกนี่บวกนี้ไม่ใช่สองนเนี้ยเท่าไรเนี้ยบวกสิบสองเป็นเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> เออนั่นแหละยี่สิบปดดวงถูกต้องนั่นแหละกรุณานั่นแหละ กรุณานี่แหละแต่ต้องเป็นกรุณาในมหากุศลตอนที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีนะไม่ใช่กรุณาชาน้นตอนที่ท่านบำเพ็ญบารมีที่เรียกว่าเป็นผู้มีกรุณานะ่ยผูกสัตว์ไว้ในตนนะผูกสัตว์ไว้ในตนเพราะพระองค์กรุณาเรากรุณาเหมือนกับบิดากรุณาบุตรเพราะผูกเราไว้ในฐานะเป็นบุตรของท่านเราจึงเป็นลูกของพระผู้มีพระเจ้าฉะนั้นการที่เป็นลูกของพระเจ้านั้นเราจึงมีสิทธิ์ใช้ทรัพย์ของพระเจ้าสองสารนะฐานะ คืออามิสสาราดกกะธรรมะระดก